การรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้หรือรู้จักเก็บออมการครบเพื่อนที่ดีงามการใช้ใจนน่ายพอเหมาะสมแก่ฐานะของตนข้อที่สองการเว้นอบายมุกเหตุให้เส่อมทรัพย์สี่ประการคือความเป็นนักเลงหญิงความเป็นนักเลงสุราความเป็นนักเลงเล่นการพนัน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 ทั้งๆ ท, ที่วิชาเศรษฐกิจเกิดภายหลังพระพุทธศาสนานับจานวนพันปีส่วนข้อ2คือการรู้จักรักษาทรัพย์ที่หามาได้ก็ตรงกับหลักการออมทรัพย์หรือเซฟวิ่งข้อ3คือการรู้จักคบเพื่อนที่ดีงามก็เทียบได้กับการดำเนิน ง, งานในรูปบริษัทหรือสหกรณ์ซึ่งจำเป็นต้องเลือกสมาชิกที่ดี